จีเมฆโขวัชตะโยดดัมมะอคุสละตะโยดดัมมะคุสละดัสดัมมะ เราลองคิดดูว่าทําไมเราศรัทธาพระเจ้าไม่แต่ไม่แข็งแรงไม่เต็มที่ไม่ต้องมีเหตุสิทําไมคนอื่นเขาศรัทธ า, าก็กล้าข้ามน้ําข้ามทะเลมาเอางี้พระมหาขบีนะพระเจ้าพระเจ้าขบีน้าเนี่ยพอได้ยินคาว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วทิ้งราชบาลังเดียวนั้น เ, นเห็นราชบาลังเหมือนลังเหมือนก้อนเศษติดปลายลิ้ น, นแล้วก็เห็นพระเจ้านี่ถ้าไม่เฉยเฉยล่ะ ไม่ใช่เฉยอ่ะอันนี้จะได้รู้ว่าอดีตคืออะไรนี่การการประมวลสัตทินรียไม่แข็งแรงนี่เป็นอย่างนี้เมื่อมาสนทนากระยมผู้ชายอยู่ที่พักใกล้ๆแล้วก็ฟังกว่าจะเป็นพระเจ้าแต่ฟังแล้วมันก็ยังยังเข้าไม่ถึงเห็นไหมแสดงว่าอดีตเหตุมันเป็นอะไรเนะี่ยอดีตเหตุสั่งสมมาไม่แข็งแรงนั่นเองอยู่ ฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวอย่างเนี้ยจึงไม่ควรประมาทจริงๆแสดงให้เห็นชัดว่าทําไมคนบางคนเขากล้าเยอะแยะบมเสร็จอะทําไมเขามุ่งมั่นสูงกว่าเราเยอะแยะแสดงว่าอดีตเหตุของเขาแข็งแรงบางคนเขาศึกษาพระธรรมเขาเข้าใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยทำไมเราศึกษาทําไมนานเหลือเกินอันนี้มีทั้งนั้นเลยอดีตเหตุทั้งนั้นเลยมันมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเล ย, ยมันไม่มีอะไรฟุกขึ้นมาหรอกทาไมเราถึง ซึมเศร้าเหงาหงอยเศร้ า, ซ, า, ซ, าซ้อยโงกง่วงผิดปกติไหมกล้าที่จะมาทําบาปต่อหน้าพระศาสดาทํามถึงกล้าเอาทั้งๆ ท, ท, ที่เรากําลังจะสวดมนต์ที่เทียบขอเข้ามาแล้วก็จะนอบน้อมท่านเนี่ยทำไมให้บาปแทรกได้อ น, นี้บ่งบอกถึงอะไรสัตย์ทินซีไม่แข็งแรงพระเจ้าบอกว่าปล่อยให้ศรัทธามาเถอะแต่เราไม่ปล่อยจิงเงีเอาสิแล้วก็ดึงเข้าว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราจะตื่นเต้นเต็เตมที่เลย อ่ะลองเปลี่ยนเป็นบรรยากาศเป็นร้องรำทำเบงจริทุกคนจะกลายเป็นตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยนี่เป็นเพราะอะไรนี่เราจะเห็นชัดเลยว่านี่ไงสภาพใจเราเนี่ยเราเดินกุศลยังไม่ค่อยได้เราจะรู้จักโอ้นี่ไงเราได้แค่ น, นี้เราจะได้ไม่ท้อใช่ไหมจะได้เพียรพยายามที่ขัดเกลาก็เร่งกระตุ้นถ้างั้นมันก็มาแทรกมากดเราอยู่นั่นแหละทีนมิถาเนี่ยมันมากดตลอดเวลาเนะ มันก็มากดมันกดอะไรทำให้ชาวนะที่เป็นกุศลมันไม่เดินมันไม่เกิดขึ้นมันก็ปิดปิดอยู่นั่นแหละเอางี้ว่าอนาถาปินิกาพอได้ยินคำว่าพระพอุทธเจ้าเนี่ยทำไมท่านนอนไม่หลับท่านจะไปเฝ้าให้ได้ ส่วนราชคือหาเศรษฐีก็บอกว่าอย่าไปช่วงนี้เวลากลางคืนท่านตื่นเต้นท่านนอนไม่ได้ตั้งแต่หกโมงยันสี่ทุ่มนอนไม่หลับปีติเกิดทาปีติเกิดแต่ศรีรษะยันเท้าจากเท้าถึงศรีรษะจากซีกทั้งนี้นะสองซีกนี่ไปหมดเลยเนี่ยมือมือไปหมดแล้วปีติเกิดหมดเลยลุกอยู่ตลอดเวลาปีติเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นตลอดเวลานอนไม่ได้ แล้วทําไมเราเสด็จนอย่างนี้เราจะนอนให้ได้เป็นเพราะอะไรอ่ะมันต่างกันเลยไหมเนี่ยต่างโดยสิ้นเชิงนี่บ่งบอกไงเนี่ยนี่แสดงไม่มีเหตุปจัจจัยฉะนั้นเรารู้อดีตเหตุเราบกพร่องเนี่ยปัจจุบันเหตุต้องแข็งแรงกว่าเดือกว่าคนอื่นให้เยอะใช่ไหมเรารู้อดีตแเหตุเนี่ยเราอ่อนแอถ้าเรายิ่งไปปล่อยไอปล่อยปัจจุบันในเหตุให้อ่อนแอไปอีกยุ่งไหมยุ่งเลยฉะนั้นต้องแข็งแรง ต้องตั้งมั่นต้องเพียรพยายามไม่มีไม่มีการบรรลุทำอะไรที่มันจะได้มาโดยการอ้อนวอนอย่างนี้หรอกแต่มาโดยการประกอบความเพียร น, นั่นอะไรอยอมไหวไหมไหวหรือเปล่าฮะไหวใช่ไหมนี่ทำไมสลุมสลือจะไปไหวฮะ เรือเสลือมสลือแปลกๆใช่ไหมออกมาเอ๊ะเห็นสวดสวดไปนี่พวกเราี่หลับเป็นครึ่งห้องว่าออกมาก็นึกเงี้ยเนี่ยแต่จริงๆคนอื่นเขก็ไม่ได้นฟ้งไม่รู้กรรมอะไรออกมาก็ไม่รู้ออกมาไปบรรยายที่ไหนมีแต่คนหลับแล้ไม่เห็นอยู่เลื่อยแสดงหรือเป็นกรรมของไขรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแปลกจริงๆเนะีน่ยขณะสวดมนต์ก็เห็นคนเหลับก็แปลกจริงจากครูปัญ ญ, ญาอังคุศลออกมาเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยออมาอยากเห็นที่คนก็เจเริญกุศลนี่ไหม ก็นี่ที่กำลังเล่าเนี่ยนะถามไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนี่ยแต่ท่านไม่ง่วงเนี่ที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเพราะสัตว์ทินซีมันอ่อนเอนั่นเองแล้วจากหนึ่งท่มถึงสี่ท่มเนี่ท่านไม่นอนใช่ไหมนอนไม่ได้จากสี่ท่ถึงตีสองก็นอนไม่ได้ไม่ใช่ฟุ้งนะบงกนนอนไม่ได้เพราะฟุ้งเนี่ไม่ใช่เลยท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านรักพระพุทธเจ้าท่านอยากไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พอช่วงปัดฉิ ม, มยามเนี่ยท่านลุกอยู่นั่นแหละลุกอยู่นั่นแหละหน่ะเข้าน่ะเข้าพอปัดฉิมมยามนี่ไม่ไหวแล้วปีตีออกมหมดเลยออกมาจนแสงสว่างออกจากกายท่านนี่ยอย่าลืมนะโสมนัตใช่ไหมลองลองดูท่องนี่โสมนัตสา ร, รคตังเนี่ยญาณะสามยุตังอสังขารีกังเนี่ยอาสิในนั้นมีปีตีไหมนั่นแหละปีตีที่เป็นนามธรรมนั่นแหละขับเคลื่อนรูปธรรมที่เป็นจิตแต่ชืรูป พองพองจนแสงออกมาเลยเพราะแสงออกมาไปเสร็จท่านเดินออกโออยู่ไม่ไหวแล้วพอตีสองท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านท่านอยู่ไม่ไหวท่านจะไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมท่านอยู่นอกเมืองนะเดี๋ท่านอยู่ในเมืองท่านจะออกนอกเมืองนะพระเจ้าประทับอยู่นอกเมืองอเชตวันอยู่นอกหรอเขาไปราชเครือราชครือน่ยอยู่นอกนอกกรุงราชครืออยู่นอกมันจะมีกำแพงอยู่นอกวัดเวรุวันเนี่ยท่านจะไปเฝ้าตรงนั้นแหละ ทีนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ทนไม่ไหวต้องถอดกรประตูให้ได้เลยปตินี่นะท่านอยู่ชั้นเจ็ดเนี่ยเปิดประตูให้เลยดูที่นี่ท่านก็เดินเดินเดินเดินเดินลงมาเลยไในในส่วนจริงก็เดินไปเรื่อยสภาพปีติก็เกิดเกิดขึ้นไปตามลาดับนี่พอออกนอกานะประตูเปิดนี่นะ ออกนอกเมืองประตูเปิดให้นี่นะเพระเทวดาเนี่ยเทวาอนุภาพนี่นะท่านเดินเดินไ ป, ไปเหยียบศพที่หนึ่งศพที่นอนเกลือนเนี่ยนะในป่าชา้าเหยียบศพที่สองพอเหยียบศพที่สามแล้วเพรพอท่านเหลียวไปเห็นใช่ไหมปีติที่มีกําลังก็ลดไหมลดลดกลัวไหมเดี๋เนี้ยกลัวถ้าอย่างเรากลับไหมกลับได้ศพแรกแล้วใช่ไหม อย่างเราก็กลับเตจศบแรกแล้วไม่ใช่ศพที่สองสามหรอกเทวดาก็เทวดา ท, ทําไมเทวดาช่วยเพราะการไปในครั้งนี้ของท่านท่านจะบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าใครช่วยแวกทางให้พระโสดาบันอ น, นิสงฆ์มากไหมมากสิท่านถึงทาไงเทวดาเนี่ยถ้าอย่างเราก็ทําให้แบกให้ยังแบกเลยใช่ไหมถ้ารู้ว่าท่านผู้นี้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ย ถ้าเป็นพระนี่นะออมาจะแบกทั้งคืนเลยให้ท่านบนรรลุบรรบา อ, อมาเนี่ยใช่ไหมยอย่างเรากล้าไหมามาีวาสกท่านหนึ่งเนะไปเห็นพระพิคือรูปหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงในป่าหมดแรงอยู่ะนอนหายใจระลยระเลยเนี่ยท่านก็ไปพิจารณาดูเออเนี่ยเอเขาไปถามท่านทำไมไม่เอามะม่วงกินแล้วท่านไม่มีแรงเนี่ย อ, อุบาสกไม่มีคนประเคนเอามากลัวกุศลศีลก็เอามาจะขาดเนี่ยของไม่ได้ประเคนเอามารับแขนไม่ได้อุบาสกทำบีบอาหารถวะบีบน้ำมะม่วงใส่ปากพวกหลังตอนเย็นเนี่ยก็เปลนทําเป็นน้ําบานะบีบบีบใส่ปากท่านนะ่ะท่านก็ดูดดูดดูดน้ําน้ํานะแล้วเขาก็แรงไม่มีใช่ไหมเดินก็ยังไม่ไหวเพรามีแรงไปเสร็จพอจะหักเนะ ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเน้อท่านกับวาสกับแบกเซบ่าแบกเซบ่าเดินเดินเดินไปจะไปส่งเลท่านก็มาพิจรารณาอู้ท่านผู้นี้ไม่ได้เป็นญาติของเราไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นตาเป็นปู่ตาย า, ยายายเป็นลุงเป็นไม่ได้เอ๊ยทำไมเขาศรัทธาเราขนาดแบกลงจากป่าอย่างขนาดนี้เนะือ้ออศีลไงไมศีลนะไม่ขาดอู้ตั้งแต่บวชมาเนี่ย ห้าสิบปีแล้วเราไม่เคยเลยอะศีลไม่เคยขาดไม่เคยด่างไม่เคยพร้อยไม่เคยทะลุไม่เคยไปรู้เลยว่างั้นเนีพอพิจารณาเบียเสร็จนี่เห็นไหมศีลานุสติเกิดแล้วแลลึกถึงกุศลศีลปลาโมดเกิดปีติเกิดปัตสัตทิสงบเกิดเนี่ยความสุขโสมนัสเกิดโหผ่องเลยเนี่ยสมาธิเกิดให้ควรกุศลศีล อันนี้แต่ลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเห็นความไม่เที่ยงของปีติเห็นความที่ทุกเมสสภาพของปีติก็มีการบีบคั้นอยู่แต่ละดุลาปีติก็ไม่ใช่ตัวตนเลยแต่ก่อนไม่มีมามีขึ้นมาเนี่ยพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่แต่ปีติเท่านั้นนะคาทายาวัตถุที่อาศัยของปีติซึ่งเป็นอุปาทายรูปและมหาภูตรูปสรุปก็คือว่าดินน้ำไฟลมที่ปีติอาศัยก็ไม่เที่ยง สีขินลดโอชาธาตุเป็นตนก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงเวทน า, าที่ประกอบกับปีติก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงนะทั้งสังขารและขันวิญญาณขันสรุปก็คือรูปเวทน า, าสัญญาสังขารญญาณไม่เที่ยงเป็นภูเป็นอนาตาเป็นโรคเป็นวิภผีพิจรารณาวิจัยละฉันตลาคะได้บรรลุสี่มรรคบนบ่าวบาอาสุกเลยไหมโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลสกาตาคามร์สกาตาคาผลอนาคาร์มร์อนาค า, ม, า, า, คามีผลอรหัตมร์อรหัตผล เอาสินี่ไงกรรมฐานท่านเดินไหมเดินตรงบนบ่าบรรุบนบ่าแล้วอุบาสกท่านจะได้บุญไหมแบกปุถุชนยะแบกจนถึงแบกพระอรหันต์โอ้โหอันนี้สงมากนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเวลากำน้อมอาหารถวายกกถึงตั้งอัธยาศัยว่า ถ้าอาหารมื้อนี้เป็นปัจจัยแกการประชุมมาร์กของท่านบุทนี้ได้โอ้โหบุญมากแล้วก็เอาบางทีพิจารณาเวลาจะรับประทานอาหารพวกนี้เนี่ยนะคนทําอาหารจะได้อ น, นิสงฆ์บ้างเอากันซักมาร์กได้ไหมเนี่ยต้องเป็นมาร์กดีนะต้องสำมามาร์กนะไม่ใช่มิจฉามาร์กนะถ้ามิจฉามาร์กก็ยุ่งเลยใช่ไหมฉะนั้นรับประทานอาหารต้องวิจัยไหมต้องวิจัยนะต้องเนาะไม่ให้กิเลสเกิดแล้วแต่เนี้ยพราเราเข้ามา เพะจะต้องมีการปฏิบัติทุกทุกเรื่องใช่ไหมจะต้องวิจัยทุกเรื่องไหมต้องวิจัยทุกเรื่องแม้ที่อยู่ต้องวิจัยไหมต้องวิจัยไม่ให้กิเลสเกิดไม่ใช่ว่าโอ้โ ห, หกิเลสเกิดเพราะที่อยู่ตลอดไอ้ครับแค่ บ, บ้างยุงเยอะบ้างอะไรบ้างไม่ใช่จริงๆนะที่อยู่จะเยอะขนาดไหนก็แค่หลับแค่นั้นเองมีอะไรหรอกใช่ไหมเพื่อจะได้ประกอบทําให้ร่างกายนั้นน่ะพักผ่อนขึ้นมาจะได้ตั้งความเพียรต่อ เราไม่ใช่มาจมอยู่กับการนอนใช่ไหมเพราะการนอนก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์นะพรอวังเนี่ยเป็นทุกข์สับติดกันยินดีพอใจในการนอนใช่ไหมไม่นอนก็แบ่งอาหมอวันนอนไม่หลับเพราะไม่เข้าใจไงจริงๆน่ะตัดโลกไม่เข้าใจกันแต่จริงๆเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ไปแค่แต่พอตื่นึ้นมาพุ่งซานนั่นใ ห, ใ ห, ให้ให้นอนก่อนนะ เพราะมันอยู่อยู่ที่จิตที่เป็นกุศลก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านก็เลยให้นอนแต่ไม่ใช่จมอยู่กับการนอนอยู่งั้นนะเพบเป็นทุกษับสัตว์ต้องเป็นที่ยินดีของสัตว์จะตายสตวทั้งหลายเนี่ชอบนักเพราะว่านี่พบเนี่ยความยินดีในการนอนการยินดีในหวงอะไรเนี่ยเนี่ ย, เ, ยเข้าใจอย่างว่าเขาสวดแล้วเขาสาธยายแล้วเขาระลึกเอาขึ้นทำคุณได้แล้วนาะ คือต้องการให้เข้าใจต้องการให้เข้าใจแต่ละบทเนี่ยยังจะต้องทําความเข้าใจอีกเยอะเลยนะ่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามตรงนี้เนี่ยนะไม่รู้จะตอบกันถูกหรือเปล่าเนี่ยนะเอา ม, มาไม่ค่อยมั่นใจเราสวดวนกันมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปดูแคลนอะไรนะเอา ม, มาสมัยก่อนก็เป็นแบบเนี้คือสวดแล้วไม่เข้าใจอะ่ะ อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ย ที่บอกว่าเออดูดูนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะเลยตรงนี้ไปบอกบอกว่าเป็นตารานาธสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมบอกว่าข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความลึกองค์ที่หนึ่งโดยเสียงกล้าวและแปลว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเข้าใจไหมว่าทําไมเราจึงยอมเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเพราะ เพราะอะไรยไมพุทธภาษาตอบได้ไหมเราเป็นท่ากิเลสมานานแล้วเราไม่มีอิสระเลยเช่นอยากจะกินนะกิเลสมันก็บงการแล้วเอาไปกินด้วยอยากจะนอนกิเลกก็บงการเป็นนอนมันบงการหมดอยากจะไปเที่ยวทะเลอยากจะไปดูป่าไม้ภูเขาอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่มีอากาศดีๆหน่อย นี่ยไปกิเลสนะเนี่ยเป็นกิเลสอย่างนี้ถ้าพระศาสดาไปอยู่ที่อากาศสี่สิบองศาเราจะไปไหมเฝ้าท่านไหมถ้าท่านอยู่ท่านอยู่ห้าสิบโยนไปไหมเดินนะไปเลยกล้าเดินไปหรือ โอ้น่าสตานะท่เนี่ยนะท่านถึงบอกไงบอกว่าถ้าพระาศาสดาประทับอยู่ที่ไหนออามากลัวจะไม่กล้าเดินดนนี่บางคนกลัวนี่จะเดินกลับขุดยังไม่กล้าใช่ไหมกลัโวโถสมันแรงยังไหมโถส่ากลัวนี่คือโถสา่าเนีแท้จริงจริงๆแล้วเรากลัวอะไรจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวเลย ข้างนอกก็คือดินน้ําไฟลมใช่ไหมที่เราไปสมมุติเราเป็นงูเป็นเสือเป็นจระเข้เป็นอะไรเนี่ยก็คือธาตุสี่ขันฮ์้าไม่กลังเลยกันหรอกที่กลัวเพราะเราแยกไม่ขาดถ้าแยกขาดเมื่ออไรเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยก็เห็นพระโพธิสัตว์กลัวอะไรสัตว์ไหมกลัวเสือไหมไม่กลัวหรอกท่านอยู่กับเสือก็ได้คือเราเนี่ยยอมเป็นธาตุของกิเลสมานาน ถ้าโดยสำนวนะ ม, ามาใช้คำว่ากิเลสจิตหัวใช้มาตลอดถ้าเป็นงั้นจริงๆมันบงการตลอดจิตเราใช้ตลอดแล้วเราอยากจะกินอะไรอยากจะไปชมอะไรนะเราก็เลยพอมารู้คำสอนเราบอกไม่เอาแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้ า, าจักเป็นทาสของพุทธเจ้าเท่านั้นพระเจ้าว่าอย่างไรเราจะทําอย่างนั้นพระเจ้าให้คิดอย่างไรเราก็จะคิดคือพระเจ้าสอนให้เราทําอย่างไรเราก็จะทําอย่างนั้น ผู้เจ้าสอนให้เราพูดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นผู้เจ้าสอนให้คิดอย่างไรเราก็จะคิดอย่างนั้นก็ตั้งแบบนี้จะไม่คิดตามกิเลสอีกต่อไปจะไม่พูดตามกิเลสอีกต่อไปจะไม่ทําตามกิเลสอีกต่อไปเข้าใจไหมชัดเจนไหมเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วบอกเราจะเป็นท่าพู้เจ้าถ้าขัดคําสอนพู้เจ้าเราไม่ทําเช่นกายทุจริตเนี่ยพู้เจ้าบอกอย่าทําอย่าทํากายทุจริตเนี่ย ข้าสารักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเนี่ยอย่าทำเราก็จักไม่ทําเพราะเราเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าว่จีทุจริตพูดเท็จส่อเสียดคาหยาเพื่อเจอเนี่ยอย่าทํามโนทุจริตคือโลภเนี่ยถีนามิทัศเนี่ยอย่าทำพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทํำใช่ไหมเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นทาสของกิเลสพยาบาทเนี่ยใช่ไหมมโนทุจริตทั้งหลายเนี่ยเห็นผิดเนี่ยอย่าทำเขาใหญ่ยังแต่เนี่ย อย่าทำเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าได้เลยสุจริตสามเธอจงได้สุจริตสามเธอถ้าเธอจะจะจ ะ, จะเป็นทาสของเราถ้ามองนี้อย่าชัดเจนไหมทีนี้นัน่นก็คือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เอากิเลสเป็นหลักเอาความต้องการเอาใจเราเป็นหลักใจเราเนี่เชื่อไม่ค่อยได้เรามันหลอกเรามาอย่างยาวไกลพอตั้งหลักถูกแล้วที น, นี้จะได้แข็งแรงทางด้านจิตใจ นี้เขาเรียกว่ายอมเป็นทาสของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคำหนึ่งพระพุทธเจ้าเขาจะเป็นทาสอ่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้กําจัดทุกข์กําจัดทุกข์พระเจ้ากําจัดชาติทุกข์ได้อย่างชะลาทุกข์พญาทิทุกข์มรณะทุกข์โสกกาลริเดวทุกข์ทปทมนะเศรษฐายาธแล้วก็กําจัดทุกข์ให้กษัตริย์ทั้งหลายด้วยพระสัตว์ทั้งหลายเชื่อพระองค์นั่นแหละบอกว่าอย่าเดินทั้งนั้นเน่ะ ทุจริตเนะี่ยมันอย่าเดินออกมาซนะเข้าหาสุดจริตพระเจ้าเนี้ยเขาเรียกว่าและทรงไว้ซึ่งประโยชน์อะไรคือประโยชน์สุจริตสามเนี่ยคือประโยชน์อะไรคือไม่ใช่ประโยชน์อนทุจริตสามไงพระเจ้าก็ดึงออกมาให้ออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์น้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันแล้วพบและทั้งพบถัดไปแล้วก็พบอย่างยิ่งคือความสินทุกข์เห็นไหม มีใครบ้างที่เราหวังดีกับเราขนาดนี้บอกอย่าเดินเลยอย่าเคลื่อนพลไปเลยทางนั้นมันเหวทางนั้นมันอบายทุกติวิธิบาลดนรกจะเดินไปมาทางนี้มาทางนี้พะระเจ้าก็ะดึงมาบอกอย่าให้กรารมาฉันท้าเกิดอย่าให้พยาบาทเกิดอย่าให้ทีน้ำมิถะเกิดอย่าให้ความพุ่งสร้างลำคาญใจเกิด อย่าให้วิจิกิจฉาเกิดอย่าให้ความหลงความมืดบอดหางจิตเกิดออกมาทางนี้จะเคลื่อนพ้นไปทางนั้นนะเคลื่อนพ้นผิดยกพ้นผิดถ้าเคลื่อนไปทางนั้นมันจะเต็มไปด้วยชาติชราพยาธิมรณะก็ทางเป็นเหวเธอเดินทําไมหักน้องมาทางนี้นี่พระเจ้าทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่แ เ, เรา อ, าอย่างนี้อาสวดเราได้อัตถะอย่างนี้ไหมได้ไม่ได้แต่ก่อนได้แบบนี้ไหม ไม่ได้ใช่ไ้มต้องเจาะอย่างนี้จริงๆดังนั้นไม่ได้ไงข้าพเจ้ามอบกายแต่เนี้ยถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเอามอบเนี่ยกายกรรมจะเป็นไปตามคําสอนพระพุทธเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าในชี้นํำข้าพเจ้าฝากชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้านี่แหละข้าพเจ้ารู้แล้วที่พึ่งกันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างอื่นข้าพเจ้าผิดพลาดมานานแล้ว ซึ่งป่าไม้ภูเขาใช่ไหมพึ่งอะไรบ้างอะเสือบ้างจระเข้บัง่งดวงดาวบัง่งบนบานสารกล่าวเยอะไหมอะเยอะแยะหมดเราพึ่งมาเยอะเป็ยเศ็ตหมดแล้วเพราะเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นคุณของพระศาสดาถึงบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไงตรัส บ, บอกว่า สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยบอกโอ้โหหาที่พึ่งผิดพลาดกันมาเยอะแยะเป็เสร็จแล้วที่พระเจ้าตรัสเงมากจริงๆสรารณะที่นับถือทั้งภูเขาทั้งป่าไม้ทั้งรุกขเจดีไม่ใจ่ิเจดี พ, พทธเจ้าเนี่ยเจดีอะไรไหหมดเนี่ยที่ไม่ใช่ของพทธเจ้าก็ว่าสำหรับมนุษย์ผู้ถูกภัยคุกคามกลัวกันใหญ่ ใชไหมพระเจ้าบอกนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดไปอาศัยสารณะนั่นแล้วเนี่ยบุคคลนั้นแล้วจะไม่พ้นจากทุกข์ไม่พ้นหรอกไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหรอกไม่พ้นจากวิบัติพัดภาคหรอกพระเจ้าตรัสว่างไงอะฮงเวสารนางยานตีอะพัตานีวานานีจา อารามรุขเจตยานีมนุสสาพยาตชิตาเตตั้งเนตั้งโคสาระนังเขมังเนตั้งจาระามุตตามังเนตั้งจาระมากัมาสับดุขาปมุจติผิดพลาดบอกว่าอาศัยทุกข์หรอเนี่ยผิด อาศัยสารณะเหล่าเนี้ยผิดพลาดมาอย่างยาวไกลแล้วในสังสารวัตเพราะเราไปอาศัยป่าไม้บ้างภูเขาบ้างรุกเจดีบ้างหรือว่าจระเข้บงังดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆเหล่านี้บ้างอาศัยรัฐที่าศาสดาอื่นที่มีตัดสรู้จริงบ้างวิ่งวนเวียนอยู่ในขอบจักรวาลกีนอยู่เนี่ยอยู่ในสังสารวัตที่หลออกไม่ไนดะ้ไม่ใช่สารณะอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดอาศัยสารณะนั้นแล้วพ้นจากทุกไม่ได้จนทุกวันเีไย ทุกวันเนี่ยพ้นไม่ได้เพราะเรายึดสารณาผิดพุทธเจ้าตรัสต่อไปบอกส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมด้วยถึงประสงค์ด้วยเป็นสารณะตอนนี้ที่เราสาธยายเนี่ยเราต้องการจะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณาจริงนะเนี่ยและก็เมื่อถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ฟังทำใช่ไหมพอเข้ามาศึกษาพระธรรมก็รู้อริยสัจไหม พอรู้อริยสัจสีด้วยปัญญาตามความเป็นจริงลก็กำหนดรอบรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธได้แจ้งเป็นตนได้นี่สัตว์เหล่านั้นก็จะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทีทุกข์เนี่เป็นสาสนอันเกษมนี่แหละเป็นสาสนอันสูงสุดอาศัยศาสนี้แล้วก็จะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาที่ทุกข์มาแนะทุกข์เป็นตนได้ท่านจึงบอกว่าโยจะพุูธันญะดัมมันจะสังขัญจะสารนังขาโต จตาริอริยสัจญานีสัมปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสมุปปังทุกขะสัจติกามังอริยัอถังขิกังมาคังดูโูปสัมมาขามินังเอตังโคสระนังเขมังเอตังตรณามุตตาัง เอตังตระนามะกามาซาบา ด, ดุขาปะมุจตินี่ไงพระเจ้าบอกส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสาระอย่างแท้จริงบุคคลนั้นจะเห็นอริยะ ส, ะสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมักด้วยปัญญาชอบเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นพระนิพพานที่เป็นสภาพที่ดับทุกเห็นอริยมัก ก็เดินทางถูกแล้วที่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นั่นแหละเป็นสาระอันกเกษมนั่นแหละเป็นสาระอันสูงสุดสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นจะพ้นจากชาติทุกข์ชร า, าทุกข์เป็นต้นได้เนี่ยเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้านี่มอบจริงไหมที่มานี่มอบกันจริงๆริงอัจริงไหมจริ ง, ร ง, รงมอบครึ่งหนึ่งหรือมอบทั้งหมดอโ อ, โอไม่ไหวแล้วใช่ไหม หนักใจไหมท่านเราจะมอบกายถวายชิตผู้ริเจ้ า, าเราจะไม่ตามเราจะไม่มอบให้กับกิเลสอีกแล้วตั้งอธิยาใสาไว้บอกเรามอบแล้วถ้ากิเลสจะบงการลงไม่เอา้าผิดคำสอนเอางั้นเลยนะประท้วงก็ไว้บอไม่เอา้าถ้าทีน้ำมิท้ามากลัมาหลับเสียที่หลับเถอะเด็กแล้ว อย่าไปเชื่อพทธเจ้าเชื่อเราเถอะบอกนี่เอาล็อกคุณนี่พาเรานี่หลงในสังสารวัตรมานานแล้วทางนี้ได้ไหมได้ปะพอกิเลส จ, จะบอกกลับก่อนเวลาเถอะไม่เอาตายเป็นตายเอาอยู่ได้ไหมเอาขาไปให้ขาขาดไปแ้วตัวไม่ไปเี่สิปล่อยเงี้ยถ้าจริงๆอย่างเงี้ยที่สริจริงยอมกิเลสเลย เขากลัวคนจริงเออแปล ก, กิเลสในกลัวคนจริงแต่เขาชอบคนอ่อนแอเมื่อนั่งใครที่อ่อนแอเนี่ยเสร็จกิเลสหมดุดนะครับนะครัโอ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อลูกน้องกุฎเจ้าเชื่อลูกน้องมาันดีกว่าลูกน้องกุฎเจ้าเนี่ยมันหลอกเราพวกนั้นเนี่ยจะทําให้เราพ้นอยากให้เราจะพ้นจากตาของเราอยู่กลิ้นกายใจอยู่ดียังไงใช่ไหมการมีตาดีนะได้เห็นรูปสว ย, สวย การมีหูดีนะได้ฟังเสียงครลาะพาะมีจมูกก็ดีนะได้กลิ่นหอมหอมมีปากก็ดีนะได้กินอาหารอร่อยมีกายก็ดีนะได้สัมผัสอะไรนิ่มๆมีใจก็ดีนะเราจะสร้างจินนาการอะไรก็ได้ใช่ไหมพอเราลู้เนี้ยโอ้อ่อนยั่บเยียบเลยเหมือนเหมือนกับเทียนถูกไฟลนใช่ไหมที่ไหนได้ทุกวันมีตาทุกเพราะตากันแค่ไหนไม่คิดมีหูหไหนไงต้องบริหารหูทุกวันเนี่ย มีจมูกดูที่เนี่ยจะพังกันอยู่แล้วเนี่ยมีปากไปหลายซี่แล้วใช่ไหมปวดกันอยู่เนี่ยทรมานกันอยู่เนี่ยแล้วมีลิ้นเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวก็ขาดดูแลไหวไหมในท่สุดจริงก็เปื่อยเดี๋ยวก็พังหมดมีกายเป็นยังไงเดี๋ยวก็ปูพังหมดซ่อมกันแล้วซ่อมกันอีกสารพัดโลกมีตรงไหนเดี๋ยวก็ถูกตัดตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็ขึ้นเขียงก็เป็นแบบนี้ จะดูแลสุขภาพดีขนาดไหนเดี๋ยวก็เรียบร้อยมีใจอ่ะใจยังกิเลสกุ้มลุมซะเลย น, นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปยอมก็บอกว่านี่ฮไม่ไม่ยอมเจ้าอีกแล้วใช่ไหมพูดกับเขาแรงๆได้ไหมฉันไม่ยอมคุณอีกแล้วไม่ไปเรียกเขาคุณนี่นะั่นกะ็นั่ก็ฉะนั้นกะ็สนิทกันเราเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย